อุทธจักกุกุจะเนี่ยนะอุทธจักก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือไม่สงบอ่ะนะฟุ้ฟงเป็นยังไงเคยเห็นอะไร น, นะเวลาปัดกวาดใช่ไหมกวาดเนบางวัดเนี่ยนะถ้าไม่ได้รดน้ําก่อนเน่กวาดควักไปในฝนมันมคลุ้งไปหมดเลยจิตก็ที่ฟุ้งซ่านก็เหมือนกันเนี่ยมันคละคลุ้งไปหมดเลยจิตอ่าส่วนกุกุจะหรือ กุกกตังเนี่ยนะที่บอกว่าทำจิตให้เกิดความน่าเกลียดขึ้นมาเลยเนี่ยน ะ, ะความที่จิตทำความน่าเกลียดชื่อว่ากุกุจักอธิบายว่าความเป็นผู้มีกิริยาหน้าติเตียนหน้าติเตียนนี้แปลว่าเดือดร้อนใจในภายหลังนี่ยฟุ้งซ่านนี้ก็คือเก่งมากเลยนะภายในสามนาทีนี่คิดได้ยี่สิบสามสิบเรื่องแต่ก็ไม่ชัดเจนสักเรื่องเลยอันนี้เสียหายแลยนะอันนี้ลักษณะของ อุทจฉะหรืออุทจฉะเนี่ยมันฟุ้งอยู่ในอารมณ์เดียวนะเหมือนกับว่าเกาะอารมณ์ไม่มั่นนะ่ะลักษณะนั้นเป็นอุทจฉะหูนี่ก็ได้ยินอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันพูดเรื่องอะไรก่อนไม่รู้เนี่ยนะมันฟุ้งไปหมดเลยลักษณะนั้นของอุทจฉะส่วนกุกุกจฉะเนี่หมายถึงว่าเดือดร้อนใจถึงความเลวที่ตัวเองได้ทํทาทําไปเนี่ยนะอย่างเช่นก็บอกว่า เดือดร้อนใจว่าตัวเองนี่ทําแต่ปานาติบาตไม่ได้ทําการสมาทานเพื่อจะงดเว้นจากการฆ่าเลยเดือดร้อนใจว่าเราเนี่ยไปรักทรัพย์คนอื่นมาเราไม่เคยให้ทานเราไม่ได้สมาทานงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เลยเดือดร้อนใจเพราะตัวเองทำํำมิจฉาจารมาไม่เคยประพฤต์สมควรเลยเนี่ยนะไปพูดเท็จพูดคํำยาพูดเพ้อเจอ้อแล้วก็มาเสียใจในวันหลังเนี่ยนะ หรือเสียใจว่าตัวเองไม่ได้ทําความดีขึ้นอันนี้ก็เป็นกุกุจจ์เนี่ยนะพฉะนั้นกุกุจจ์นี้หมายถึยงว่าเสียใจที่ความชั่วที่ได้ทํามาหรือบางคนเนี่ยเสียใจว่านี่สติอะไรนะพระไตรปิฎกก็ยังไม่ได้อ่านเนี่ยตาก็จะเสื่อมอีกแล้วเมื่อก่อนมีตาก็ไปดูแต่อย่างอื่นเนี่งนะตอนเนี้หูก็จะเสียแล้วเมื่อก่อนก็ฟังแต่อย่างอื่นตอนนี้พอจะฟังพระธรรมหน่อยหูก็เสีย อ, อีกแล้วก็เสียใจเนี่ยนะพอรักษาหูดีนะเลิกฟังธรรมไปทําอย่างอื่นต่อ บอเออเนี่ยจะซ่อมตาดูแลตาให้มันดีจะได้มาอ่านพระไตรปิฎกพระตาสว่างไปทําอย่างอื่นก่อนเนีนะตอนเรีรจะลืมไม่ขึ้นอีกแล้วนะค่อยโอ้พระไตรปิฎกหน้าอ่านเนีะแสดงว่ามันเป็นอะไรนะกิจกรรมประเภทแบบท้ายๆจริงๆเลยนะอย่างเขาบอกว่าอะไรนะว่างๆก็มาฟังทำบ้างนะโอ้ยสมัยก่อนนะก็ถือเป็นเรื่องธุระสาคัญมากขาดไม่ได้นะสมัยนี้ก็เอาไว้ว่างๆนะเออถ้ามีเวลาก็มาบ้างนะเนี่ยนะนะครับเป็นะนะ สมัยที่เข้าใจอะไรผิดเนี่ยนะว่าเรื่องธรรมะบางทีเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเมื่อไม่มีอะไรแล้วค่อยหันมาหาธรรมะเนี่ยนะเพราะฉะั้นบางคนก็เลยที่มาว่าคุณมีปัญหาอะไรทําไมคุณจึงศึกษาธรรมะเพราะงั้นกลายเป็นว่าคนที่ศึกษาธรรมะเป็นคนมีปัญหาไปหมดเลยนะเป็นคนที่ทําไมคุณต้องเข้าวัดนะเพราะงั้นทําไมคุณเข้าวัดตั้งกับเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะงั้นนะบางคนเนี่ยเขาถามว่า บางครอบครัวเนี่ยนะก็สามีภรรยาก็ยังอยู่ในอายุสี่ห้าสิบแล้วละ่ะอา้าทําไมรีบเข้าวัดจังอ่ะกำลันบางคนนะอายุตั้งห้าเกือบห้าสิบแล้วก็บอกเนี่ยนะเขาแก่แล้วเขาจะเข้าวัดให้เรานี่ยหม่ถ้าจะเช็ดน้ำผาเป็นเหงื่อแทบตกเลยนะมองคอยไปเข้าที่อื่นแล้วอย่ามาที่นี่เลย <c oughs> ทําไมอ่ะก็ขนาดอายุขนาดนี้ยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยถ้ามากมากกว่านั้นเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องเลยจะเพราะรายนั้นนะจะเพราะรายนั้นเนี่ยนะ ก็ขนาดนี้อายุขนาดนี้ยังหลงหลงลืมลืมเลอะเลือนขนาดนี้ถ้ามากๆจะเลอะเลือนขนาดไหนเนี่ยนั่นก็โอ้ยทําไมมันดูถูกประธรรมขนาดนี้นะจะต้องคอยให้อะไรนะ้ะหมดประสิทธิภาพแล้วค่อย ห, หันหน้าเข้าหาธรรมะเนี่ยนะถ้าแก่ๆแล้วค่อยหันหน้าเข้าหาวัดเนี่ยจะต้องไปอีกมุมหนึ่งของวัดนะคนละศาลาแล้วต้อง <laughs> เปลี่ยนศาลาใช่ไหมคนละศาลาแล้วโยม โน่นน่ะถ้าอายุมากๆแล้วไปวัดเนี่ยเยอีกศาลาเนี่ยไปศาลาสวดแล้วไม่ใช่ศาลาฟังและเปลี่ยนศาลาฟังกั น, น, นท่านธรรมะนี่บางคนเนี่ยมาเสียใจในภายหลังซะส่วนใหญ่เลยนะเสียดายเวลาชีวิตเสียดายเวลาเสียดายเสียดายเสียดายบนให้ใครฟังอ่ะนะก็ได้แต่เก็บความน้อยอกน้อยใจไม่หน้าเลยเห็นะหเสียดายในภายหลัง ก็อย่างที่พระองค์ว่าเธออย่าได้เป็นบุรุษคนสุดท้ายเลยอย่าต้องเสียใจในภายหลังเลยเตือนมาพระพุทธเจ้าเตือนมากนะสมัยมีพระชนอยู่พระองค์เตือนเสมอว่าเธออย่าได้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยเพราะตอนนี้พระศาสดาก็ยังอยู่วัยของเธอก็ยังแข็งแรงเนี่ย น, นะรีบควนขวายรีบศึกษาเธอะ แต่ถ้าไม่ได้ศึกษานี่นะจะเสียใจในภายหลังสติปทานก็ยังไม่ได้เจริญสัมมาปทานก็ยังไม่มีอิทธิบาทก็ไม่มีอินทรีย์พระโพธชงองค์มรรคทาไมมันมึดไปหมดเลยเนี่ยนะก็น่าสงสารเนี่ยนะท่านใครที่ศึกษาธรรมะตั้งแต่วัยหนุ่มๆนะเขามาเริ่มศึกษาตั้งแตอายุสิเจ้ามายังบอกว่าทําไมมันเริ่มช้าจังมันน่าจะเริ่มมาตั้งแต่คลอดออกมาก็เรียนวิชานี้ี่วิชาเดียวก็แล้วเนี่ยนะ หลายเรื่องไม่รู้สึกว่าน้อยใจเลยที่เราไม่ค่อยรู้หลายเรื่องเช่น ว, วิชาธทำตานาติบาทวิชาคดโกงเอ้ยไม่รู้บ้างก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะโง่ๆอย่างนั้นอะดีเห็นไหมถามว่าเราถูกหลอกกับคนกับกับอะไรนะเราถูกคนอื่นหลอกกับหลอกตัวเองไหนดีกว่ากัน <S <S มันก็ไม่ดีทั้งคู่นันะ่นแหละไม่ดีทั้งคู่สรุปว่าพระธรรมเนี่ยนะใครที่ไม่รีกขวนขวายเร่งศึกษาเนี่ย จะเป็นคนที่ต้องเสียใจในภายหลังหลายๆคนเนี่ยร้องให้เลยนะสมัยแม้กระทั่งสมัยพุทธกาลเนี่ยนะสมัยพุทธกาลนี่เขาเสียใจมากโดยเฉพาะไปไม่ทันพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยจะปรินิพานเนี่ยเทวดานี่ร้องให้ร้องให้กลิ้งเกลือกเลยนะบอกว่านานมากที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นนานจริงๆกว่าจะเกิดขึ้นหนึ่งองค์แต่ขณะนั้นพระองค์ก็จะปรินิพานในคืนนี้แล้ว ไปดูในมหาปรินิพานาสูตรจะเห็นนะว่าเทวดาเขาร้องให้พุทธบริษัทเขาเสียใจมากที่จริงเนี่ยนะคนที่ควรจะร้องให้จริงที่เนี่ยควรจะเป็นพวกเราเพราะสมัยนั้นผู้ทรงพระไตวิดกคนที่มีความรู้พระอริยะอยู่เยอะยะเต็มไปหมดเลยสมัยนี้เนี่ยนะไม่รู้หันหน้าไปทางไหนมืดสนิทเนี่ยคนที่ควรจะเสียใจในกายเป็นรุ่นเราใช่ไหมแต่เราก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยก็ยังสุดชื่นดีมีความสุขดีอย่างนั้นนี่ยเออ ถ้าไม่รู้จักเดือดร้อนใจในภายหลังเลยนะี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคนที่สำนวนว่าคนที่ยังรู้จักเดือดร้อนใจในภายหลังยังจะพอจะเจริญได้บ้างแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักวิปฏิสนาเลยนี่เสียหายมากแล้วนะความดีที่ไม่ได้ทําก็แหมใจแข็งเหเกินนะนะไม่ช่างมันไม่ได้ทําดีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ในะมบาททาไปแล้วเอา้าก็คนเรามันพลาดกันได้เสร็จแล้วก็อะไรนะเฉยตามเดิมเนีันนะ ไม่ยอมแก้ไขถ้าอย่างนั้นหนักหนาสาหัสมากสำหรับคนที่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยนะท่านบอกว่าถือว่ายังเป็นคนที่มีหฮริโอตาปะอยู่นะก็ถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่แก้ไขได้เนี่ยนะแก้ไขได้แต่ที่สําคัญก็คือสิ่งที่เราทําเนี่ยนะอะสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะดีใจหรือจะปลื้มใจในวันต่อๆไปฉะถ้าเรามีการทบทวนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราตลอดว่า สิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้ต่อไปเราจะติเตียนตัวเองได้ไหมผู้รู้ไข้ครวนแล้วเขาจะติเตียนเราไหมอีกสิบปีข้างหน้าเขาจะติเตียนเราไหมอย่างของเราทั้งหลายเนี่ยนะถ้าว่าเตียงสุดท้ายเราจะเสียใจไม่ในวันนี้ลองมานึกดูเอ๊ะที่มาศึกษาพระธรรมเนี่ยคิดดูนะก่อนจะตายเราจะเสียใจหรือเราจะดีใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนศึกษาพระธรรมรถ้ามานั่งง่วงนั่งซึมตอนฟังธรรมเลยนะก่อนจะตายเราจะดีใจหรือจะเสียใจดี เริ่มใจนะถึงเราจะง่วงนะก็ไปง่วงในที่ฟังทำดีกว่าไปง่วงที่อื่นๆใช่ไหมโอ้โหเข้าข้างตัวเองอี ก, ก น, นะข <c oughs> นาดนั้นยังเข้าข้างตัวเองอี ก, ก น, นะม <c oughs> ันก็เธออย่าได้เสียใจในภายหลังเลยเนะนะอย่าต้องตาหนิตีเตียนตัวเองในภายหลังเลยสิ่งใดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองต้องตาหนิตัวเองแน่ในต่อไปถ้าแน่ใจว่าสิ่งนั้นตัวเองจะต้องตาหนิตัวเองแน่อย่าทําดีที่สุด เอาไว้ก่อนไม่ต้องทำหรอกสิ่งนั้นถ้าคิดว่าต่อไปนชฉันจะต้องลำบากใจเพราะสิ่งนั้นแน่นะถ้าใครที่พยายามฝืนตัวเองบ่อยๆๆต่อไปก็อะไรนะชินชาใช่ไหมชินชาเ็าเรียกว่าด้านไม่ดีมันก็พยายามทบทวนไข้คทวนเสมอว่าสิ่งนี้ที่เราทำไปเราจะลำบากใจในภายหลังไหมเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันจะเป็นอาหารอย่างดีของกุกุจจะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษ เนะเช่นสมมติถ้าเราแม้กโกรธคนนั้นมากสะใจมากถ้าได้ด่าเขาเสร็จแล้วไปนั่งเดือดร้อนเร่าๆๆอยู่เนี่ยเสียหายใช่ไหมแ <c oughs> สดงกิริยาอาการที่เราเป็นอะไรนะแต่มีสิทธิ์ตำหนิคนอื่นมีสิทธิ์ไปว่าร้ายคนอื่นมีสิทธิ์ทําให้เขาเสียหายอย่างนั้นเน่ยเ <c oughs> สร็จแล้วคิดหรือว่าเราจะมีความสุขต่อไปเนี่เราจะมีความสุขหรือไม่เพราะฉะนั้นทําไมเราต้องเป็นศัตรูแก่ตัวเองต่อไปอย่างนั้นนั้นก็พยายามสมาทานที่จะ ประพฤติคุณงามความดีสมาทานที่จะประพฤติกุศลเถิดบางอย่างถึงจะเสียหายบ้างแต่สิ่งนั้นก็ถามว่าในโลกนี้อะไรที่นถือว่าเสียหายและเสียหายจริงๆเลยเนี่ยนะอะไรในความรู้สึกของเราเนี่ยนะเสียชีวิตท่านบอกว่ายังไม่เสียหายเท่ากับเสียกุศลลธรรมเลยเพราะถ้ากุศลธรรมยังมีอยู่เนี่ยนะถึงเสียชีวิตก็ยังไปดีใช่ไหมแต่ถ้าเสียกุศลเนี่ยถึงมีมีชีวิตก็มีชีวิตสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออก ถ้าเสียกุศลธรรมถ้าไม่มีกุศลธรรมเนี่ยนะท่านบอกว่าพูดแบบภาษาชาวบ้านอะไรก็เหมือนก็ศพเดินได้นั่นแหละเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะเขาก็เดินรอความตายนั่งรอความตายรอวันเปื่อยรอวันเน่าเท่านั้นเองอนะเพราะถ้าตายแล้วจะไม่ได้ดีเท่านี้เลยจะมีแต่ตําซ้ำลงไปกว่านี้กว่านี้กว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีสาระจริงๆแล้วในโลกนี้เนี่ยนะกุศลอกุศลอัพยากตะอะไรมีสาระที่สุด เราก็บอกว่ากุศลมีสาระที่สุดชีวิตนี้เป็นอะไรถ้ารูปประกายด้วยแล้วเป็นอัพยากตะฟันสิ่งที่เราจะต้องปกปักรักษาคอยระวังไว้เสมอนะระวังรักษาให้ดีๆเลยก็คือกุศลธรรมเนี่ยนะกุศลธรรมมันปัจจัยที่จะทําให้เกิดกุศลธรรมมีอะไรบ้างก็คือสมาทานแต่เพื่อสุดจริตเอาไว้ให้มากเถอะสมาทานเจริญคุณงามความดีให้มากถ้าไม่สมาทานที่จะตั้งไว้ในคุณงามความดีเนี่ยนะ เรานี่แหละจะตาหนิตัวเองแล้วก็ไม่มีใครตําหนิตัวเองให้ต e. ัวเองเดือดร้อนเท่ากับตัวเองไม่มีใครรู้จักเราเท่ากับตัวเราเองใช่ไหมแล้วไม่มีใครตําหนิดูหมินตัวเองอให้เราเจ็บใจได้ครับเท e. ่ากับตัวเองดูหม e. ินตัวเองเนี่ยนะเพฉั้นคนที่ทําอกุศลเนี่ยตัวเองก็ยังดูถูกตัวเองไนดะ้ตัวเองก็ยังดูหมินตัวเองเพราะั้นคนที่ยังดูหมิ่นตัวเองเนี่ยก็ถือว่ายัง ยังไม่ดีพอเนี่ยนะจะต้องไม่ดูหมิ่นตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เข้าข่าตัวเองนะเพราะว่าผู้ที่ประพฤติกุุสพิจารณาโดยแยบคายแล้วตัวเองติเตียนตัวเองไม่ได้ท่านผู้รู้พิจารณาไข่ครวรโดยรอบแล้วก็ติเตียนตัวเองไม่ได้นะนันก็ตัวสาคัญมากๆก็คือตัวการไม่ทากุศลการทอาอกุศลเป็นอาหารอันโอชะของกุกุจจ ทีนี้มันกุกุจามันเกิดแล้วมันบวกกับอุทจจะด้วยเนี่ยฟุ้งแล้วก็ฟุ้งใจก็ไม่สงบฟุ้งซ่านใจไม่สงบนี่ลําบากมากๆเลยนะถ้าตายตอนนั้นด้วยก็ไปไหนดีเนาะถ้าใครพยายามมองทุกอย่างให้เห็นอบายให้หมดได้นะสังเกตตรงนั้นก็มีสัตว์ในอบายตรงนี้ก็มีแมลงตรงนี้ก็มีเดรชาที่เรานั่งๆอย่าคิดว่าไม่มีเห็บไม่มีหมัดอยู่ด้วยนะใช่ไหมมีไหมไม่แน่นะแล้วก็ระวังให้ดี ถ้ามีก็ลําบากเลยนะเพราะว่าทุกแห่งเนยนะถ้าพูดตรงๆเลยที่ไหนไม่มีสัตว์ในอาบายบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพิโสเนี่ยท่านเผาดินคือคือท่านท่านสร้างกุฏินะกุฏิกุฏิดินเผาอยงนั้นค่ะทําคล้ายๆกันเป็นแบบรูปงามมากแล้วท่านก็ไปหาไฟเนี่ยมาสมสมส ม, สมาหาฟืนมาสมแล้วก็จุดไฟเผาพระพุทธเจ้าตรัสว่าโมฆะบุรุษนั้นจะรู้ไหมนอว่าสัตว์นั้นตายเท่าไหร่นะสัตว์ในนั้นตายเท่าไหรนะ่นั่นเอง อย่างแผ่นดินที่เรามองเห็นเป็นภูเขาดูสวยเนี่ยนะเราเข้าไปในทุกตารางนิ้วเนี่ยมีสัตว์อยู่เกือบทั้งหมดเลยถ้าขุดลงไปในดินเนี่ยนึกว่าไม่มีอะไรนะยมันโพรงปลวกเต็มไปหมดเลยเคอมีไปสร้างกุฏิอยู่ที่หนึ่งก็ให้เด็กเนี่ยไปปรับที่ให้หน่อยก็ขุดไปสักครึ่งเม็ดเนี่ยนะเป็นโพลงปลวกเลยนะเป็นโพรง่งเป็นโพลงเป็นโพลงเยอะมากเลยนะอย่าไปคิดว่านึกว่าข้างล่างไปแล้วไม่มีอะไรเนะี่ยนั่นแหละมีมาก บางทีเนี่ยอย่างเคยเคยเห็นอย่างที่หนึง่งอย่างสมมุติถ้าเรามองเห็นในน้ํำนะเราก็บอกเออในน้ํามันมีปลาใช่ไหมข้างล่างก็มีโครนถ้าขุดโครนลงไปยังมีไส้เดือนต่อไปอีกมีไส้เดือนที่มุดใต้โครนอีกทีหนึ่งเนี่ยนะสัตว์มันซ่อนซ่อนซ่อนซกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉนนั้พยายามอย่าถ้าเราพลาดไม่ได้เจริญกุศลเนี่ยเราก็ต้องไปสู่อบายแล้วถามว่าเออชาติหน่าฉันจะไปสวรรค์ ชาติหน้าจะต้องไปดีถามว่าถึงมาไปเป็นเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์และชาติที่สามไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะเนีขามาถ้าโดยส่วนตัวเลยนะชาติหน้าเขามาไม่ค่อยหนักใจหรอกเพราะชาตินี้เรามีพระพุทธศาสนาใช่ไหมเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ให้เราระลึกถึงมีพระรัตนตรัยให้เราระลึกถึงและชาติหน้าถ้าเรามาเกิดใหม่เนี่ยเราจะมีพระรัตนตรัยหรือ เราจะมีผู้ชี้แนะทางบุญทางบาป ท, ทางสวรรค์ทางนิพพานหรือเนี่ยนะพนพบต่อๆอไปเออาชาติหน้าเ อ, อปลายปลายาศาสนาถามว่าถ้าสิบชาติยี่สิบชาติข้างหน้าต่อๆไปอีกอะไรจะเกิดขึ้นจากกว่าพระสีอานจะมาตรัสรู้ถ้าพระสีอานมาตรัสรู้เราอยู่ในสภาพไหน